วันชาระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพราะความสะอาดของกายวาจาใจจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงความสุขความเจริญในรูปแบบอื่นนั้นไม่ไม่ใช่เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงเช่นความเจริญ ความสุขทางด้านวัตถุเช่นบ้านเมืองของเรามีเตกรามบ้านช่องมีรถรามีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไว้คอยรับใช้เราแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนี้กับทำให้จิตใจเสื่อมลงและทำให้สังคม อยู่กันอย่างวุ่นวายอยู่อย่างไม่ปลอดภัยเพราะจิตใจเสื่อมลงตามอำนาจของความโลภความอยากต่างๆความเจริญทางวัตถุนั้นเกิดจากความโลภความอยากพาให้จิตใจแสวงหาวัตถุข้าของเงินทองต่างๆด้วยความโลภด้วยความอยากจนทาให้ใจ ไม่มีความเมตตากราุณาไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีความสงสารต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเพราะมุ่งมั่นอยู่ที่การแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุนี่เองจิตใจก็เหลเสื่อมลงทุกคนก็มุ่งหาความสุขทางวัตถุด้วยกันและเมื่อ มีจำนวนที่ไม่พอเพียงที่จะให้ทุกคนได้ตามความอยากก็มีการแก่งแย่งชิงดีมีการประพฤติผิดศีลผิดธรรมเพราะอำนาจของความโลภของความอยากที่มีอยู่ในภายในใจนี้จะทำให้จิตใจต้องตะเกียกตะกายต้องแสวงหามาบำรงบำเล่ความโลภ ความยาทุกวิถีทางถ้าไม่ได้ด้วยความสดจริกก็จะหามาด้วยวิถีทุจริตสังคมของเราจึงจเจริญในทางที่ผิดแล้วก็เสื่อมในทางที่ไม่ควรจะเสือ่อมเจริญในทางวัตถุซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจแต่กลับไปเสื่อมทางด้านศีนลธรรมความดีงามที่มีคุณค่า มีความสำคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเพราะถ้าจิตใจของพวกเรานั้นมีแต่ความโลภความโกรธความหลงจิตใจของเราจะมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความหิวมีแต่ความต้องการไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าเรา ได้มาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดไปตามลาดับความสุขและความอิ่มใจก็จะเกิดขึ้นมาความเจริญของใจก็จะเกิดขึ้นมาเพราะเมื่อใจมีความอิ่มมีความสุขแล้วก็จะไม่ต้องไปลื่นหนไปแก่งแย่งชิงดีไปทำผิดศีลผิดธรรม สังคมก็จะอยู่กันอย่างน้มเงย็นเป็นสุขเพราะใจของทุกคนมีความอิ่มมีความสุขมีความพอมีความเมตตากรุณามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คิดเบียดเบียนต่อกันละกันเพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนพวกเราให้มาชำระกายวาจาใจกันเพราะนี่คือการสร้างความสุข และความเจริญให้แก่พวกเราทุกคนอย่างแท้จริงอย่าไปหลงกับการสร้างลาบสร้างยศสร้างสรรเสริญสร้างความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะมันไม่ได้เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นการสร้างความเจริญที่แท้จริงแต่กลับเป็นการสร้างความเสื่อมของจิตใจและเป็นการสร้างความทุกข์ ให้แก่จิตใจเพิ่มขึ้นไปตามลำดับนะเราเปรียบเทียบยูระหว่างเรากับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายท่านมุ่งไปที่การชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิแล้วท่านเป็นอย่างไรพวกเรามุ่งไปต่อการสร้างลาบยศสริเสริญสุดทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วเราเป็นอย่างไร เราอยู่เหมือนท่านหรือเปล่าเราอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสบายหรือเราอยู่ด้วยความว้าวุ่นปุ่นมัวกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หวาดกลัวเรื่องนั้นหวาดกลัวเรื่องนี้นี่เราควรที่จะใช้สติใช้ปัญญาแยกแยะดูเปรียบเทียบดูว่าการดําเนินของพระพุทธเจ้ากับของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย กับการดําเนินของพวกเรานี้อย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเราก็ต้องเห็นว่าของนี้ไม่ใช่เป็นของลี้ลับอะไรแต่เรามักจะไม่ค่อยใช้ปัญญากันเรามักจะใช้ความหลงพอมีความหลงแล้วก็จะเห็นว่าลาบทุษสารเสริญสุขนี้เป็นสิ่งที่วิเศษวิโสเป็นสิ่งที่น่าจะแสวงมา ให้ได้มากมากแต่เราไม่ได้ดูที่ใจของเราว่าเป็นอย่างไรจากการที่ต้องไปแสวงหาจากการที่ต้องคอยดูแลรักษาและจากจากเวลาที่เสียใจที่สิ่งเหล่านี้สูญหายไปหรือจากเราไปเราไม่ได้มองที่ใจเราเราไปมองที่ตัวเลขดูว่าบัญชีในธนาคารของเรามีมากน้อยเพียงไรดูว่ามีบ้านกี่หลังมีรถกี่คัน มีเพชรกี่เม็ดมีทองมีสร้อยกี่เส้นแต่ไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุนไวายให้กับเราสร้างความกังวลสร้างความหวาดกลัวให้กับเราสร้างความทุกข์ให้กับเราดูพระพุทธเจ้าพระสาวลกเป็นตัวอย่างท่านไม่มีตัวเลขเงินทองท่านไม่มีท่านไม่มีรถลา ไม่มีบ้างมีช่องท่านไม่มีเพชรไม่มีพลอยไม่มีทองไม่มีสร้อยทองไว้หอ่อแต่ท่านอยู่อย่างเย็นอย่างสบายไม่หวาดกลัวไม่หวัวว่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นข้ามที่ไหนก็นอนได้มีอะไรก็รับประทานได้มีผ้าชนิดไหนพรอนุ่งห่มได้ก็ใช้ได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับ เรื่องอย่างที่พวกเรากำลังวุ่นวายกันอยู่เหตุที่ทำให้ท่านสามารถอยู่อย่างนั้นได้ก็เพราะท่านได้ชำระกายวาจาใจของท่านนั่นเองเพราะถ้าไม่ได้ชำระแล้วความไม่สไม่สะอาดของกายวาจาใจนี่แลที่จะเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่จิตใจดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะ ให้เวลากับการชำระกายวาจาใจของเราบ้างและให้ลดละการสแสวงหาราบยศสรรเสริญสุขทางโลกให้น้อยลงไปเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเราไปตลอดเวลาเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ถ้าเรามาชำระกายวาจาใจได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้ความบริสุทธิ์ ของใจไปมากเท่านั้นความสุขของใจความบริสุทธิ์ของใจก็จะมีความสงบติดตามไปด้วยมีความสุขติดตามไปด้วยมีความอิ่มน้ำสำราญใจติดตามไปด้วยมีความทุกข์เบาบางลงไปมีความวุ่นวายใจเบาบางลงไปดํานั้นเราจึงควรที่จะเข้ามาวัด หรือถ้าไม่ได้มาวัดก็อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ควรที่จะชำระกายวาจาใจของตนชำระได้ทุกแห่งทุกคนที่บ้านก็ได้ที่ทํางานก็ได้ที่วัดก็ได้แต่ถ้ามาที่วัดก็จะชำระได้เต็มที่เพราะที่วัดมีอุปกรณ์ครบบริบูรณ์เหมือนกับเวลาที่เรารักษาโรคภัยไข้เจ็บอยู่ที่บ้านก็รักษาได้กินยาได้ แต่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบเหมือนกับไปรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเป็นโรคที่หนักอยู่ที่บ้านก็อาจจะไม่พอที่จะรักษาได้แต่ถ้าไปโรงพยาบาลแล้วก็จะรักษาได้ทุกโรคที่วัดนี้ก็เป็นเหมือนที่ชำระกายวาจาใจของพวกเรามีอุปกรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์ แต่ถ้าเรามีกิจภาระหรือมีเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถมาวัดได้อย่างน้อยเราก็ควรที่จะชาระกายวาจาใจที่บ้านของเราหรือที่ทำงานของเราสิ่งที่เราต้องชำระนี้ท่านเรียกว่าอากุศลคือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายมีอยู่1ิประการด้วยกันมีอกุศลทางกายอยู่สามประการ มีอากุศลทางวาจาสี่ประการและมีอากุศลทางใจอยู่สามประการด้วยกันเป็นอากุศลที่เราต้องชำระเป็นเหมือนกับสิ่งสกปรปกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าของเราเราต้องชำระไม่เช่นั้นแล้วเสื้อผ้าของเราจะไม่สะอาดจะไม่น่าสวมใส กายวาจาใจของเราก็เช่นนั้นถ้าไม่ได้รับการชำระแล้วก็จะเป็นกายวาจาใจที่มีความหดหู่มีความเศร้าหมองมีการกระทําที่ไม่ดีไม่ชอบต่างๆทําให้เราเป็นคนน่าวังเกียดเป็นคนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมเป็นคนที่น่าตำหนิตีเตียนดังนั้นขอให้เรา จงมาศึกษาดูว่าอากุลทั้งสิบประการนี้มีอะไรบ้างแล้วนำเอาไปชำระตามกำลังแห่งศรัทธาและสติปัญญาของเรามันไม่เหนือวิสัยของพวกเราพวกเราเป็นมนุษย์เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสาวกทั้งหลายท่านก็มีท่านก็มีอรุลสิบประการเหมือนพวกเราแต่ท่านมีความ ศรัทธามีความวิริยะความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนมีสติมีปัญญาที่จะทุ่มเทให้กับการชำระอากุศลทั้งสิบ ป, ประการนี้ท่านจึงได้เจริญเป็นอริยะบุคคลเป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ที่น่าเคารพเลื่อมใสกราบไหว้บูชา ถึงแม้ท่านจะจากพวกเราไปเป็นเวลาอันยาวนานแล้วก็ตามแต่คุณธรรมความดีงามของท่านยังก้องกังวาลอยู่ในโลกนี้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาและเป็นที่เคารพนับถือมาจนถึงทุกวันนี้ mm. ก็เพราะการที่ท่านได้ชำระอกุศลทั้งสิ้ ให้หมดไปจากกายวาจาใจของท่านนั่นเองพวกเราก็จะพยายามทำอย่างท่านเพราะการมาวัดนี้ก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่าเรามาด้วยความศรัท ธ, ธาในพระพุทธทเจ้าในพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายและในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรามาชำระอกุศลทั้งสิบประการนี้ กาปรปฏิบัติธรรมนี้ต้องพุ่งไปตรงนี้ต้องพุ่งไปที่การชำระกายวาจาใจให้สะอาดอย่าพุ่งไปที่อามิตรต่างๆถ้ามาวัดเพื่อมาทำบุญแล้วขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เจริญในลาบยกเสรรสรินสุขอย่างนี้เรียกว่าเป็นการหลงทางไม่ได้เป็นการสร้างความสุขความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจ แต่กลับจะสร้างความโลภความอยากความทุกข์ความเสือ่อมให้แก่จิตใจมากขึ้นไปเรามาวัดเพื่อมาชําระอกุศลทางใจสามประการคือความโลภความโกรธความหลงเรามาชําระอกุศลทางกายมีอยู่สามประการคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดตัวเวณีการกระทําทั้งสานี้ เราไม่ควรจะกระทำอย่างยิ่งและควรที่จะเลิกให้ได้ตัดให้ได้ถ้ายังตัดไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ให้ตัดในบางวันเช่นวันพระเป็นต้นตอนต้นเราก็มาละในวันพระก่อนแล้วเมื่อเราเห็นผลดีเราก็เพิ่มวันขึ้นไปจากหนึ่งวันก็เป็นสามวันคือละวันก่อนวันพระ วันพระและวันหลังวันพระและเมื่อเห็นว่าเป็นผลดีต่อไปก็จะละทั้งเจวันเลยนี่คือการลดละการชำระกายวาจาใจให้เราทำจากน้อยไปหามากอย่าทำทีเดียวมากๆพร้อมกันเลยจะไม่ไหวเหมือนกับการยกของหนักมากๆถ้าเราไม่มีกำลังเราจะยกไม่ได้แต่ถ้าเราค่อยยก ทีละเล็กทีละน้อยออกกำลังกายเสริมสร้างกำลังกายไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถยกของหนักมากๆได้ดังนั้นในเบื้องต้นขอให้เราอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งในวันพระนี้ก็มาชำระอคุสงสิทธิ์กันชำระด้วยการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีนี่คืออคุสลทางกาย อากุศลทางวาจาก็มีอยู่4ด้วยกันคือ 1. การพูดปด 2. การพูดคำหยา 3. การพูดเพ้อเจ้อและ 4. การพูดส่อเสียงยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีการพูดทั้ง4ประการนี้เป็นการพูดที่ไม่สะอาดเป็นคำพูดที่สบกปรกถ้าเราอยากจะเป็นคนที่สะอาดเราไม่ควรที่จะ พูดบดเราไม่ควรที่จะพูดเพ้อเจ้อคือพูดเรื่องไร้สาระต่างๆเรื่องนินทากาเลเราไม่ควรที่จะพูดไม่ควรจะพูดคำหยาและไม่ควรจะพูดจ่อเสียดคือยุยงให้เกิดความการแตกความสามัคคีกันเพราะการแตกสามัคคีนี้เป็นเรื่องที่ทําลายสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมภายในครอบครัวก็ดีสังคมภายในหมู่บ้านก็ดีสังคมภายในประเทศก็ดีหรือสังคมภายในโลกก็ดีเมื่อเกิดแตกเกิดการแตกสามัคคีแล้วก็จะต้องเกิดสงครามเกิดการต่อสู้ทำลายกันทำลายล้างกันโลกเราก็จะอยู่กันอย่างวุ่นวายอยู่กันอย่าง น่าหวาดกลัวแต่ถ้าเรามีความสามัคคีกันเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่คือการประทำทางวาจามีอยู่สี่ประการการสอนเสียนนี่คือการพูดยุยงให้แตกแยกสามาคัคคีควรจะพูดให้เกิดความรักกันสามัคคีกันวิธีที่เราจะพูดเพื่อทำให้เรารักกันไม่แตกแยกกัน ท่านสอนว่าให้เราพูดในสิ่งที่เรามีความเห็นพ้องตรงกันอย่าไปพูดในสิ่งที่เราไม่เห็นตรงกันสิ่งที่ไม่เห็นตรงกันเราเก็บเอาไว้ต่างคนต่างเก็บเอาไว้คุณไม่เห็นเรื่องนี้ตรงกันก็อย่าไปพูดเรื่องนี้พูดเรื่องที่เราเห็นว่าตรงกันอย่างที่เขามีคำพูดว่าให้สงวนส่วนต่างและให้ ประสานส่วนเหมือนถ้าเรามีเรื่องที่เห็นคล้องต้องกันเช่นเห็นว่ามามาทาบุญที่วัดวันพะนี้ดีสามีก็ชอบภรรยาก็ชอบอย่างนี้ก็พูดได้ชวนกันมาวัดได้แต่ถ้าสามีชอบกินเหล้าภรรยาชอบมาวัดหรือหรือภรรยาชอบกินเหล้าสามีชอบมาวัดอย่างนี้ก็อย่าไปพูดอย่าไปชวนกัน เพรเดี๋ยวจะเกิดความแตกแยกเกิดการทะเลาะวิวาทกันไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องยอมรับความจริงว่าคนเรามีบุญมีกรรมมาไม่เหมือนกันคนที่มีบุญมาก็ชอบทําบุญคนที่มีกรรมมาก็จะชอบทํากรรมเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็ทําตัวเราให้เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นก็พอถ้าเขามีสติมีปัญญาก็เห็นการกระทำของเรา ดีเขาอาจจะทำตามเราก็ได้แต่ถ้าเราไปเที่ยวเข็นบังคับให้เขาทำตามที่เราอยากให้เขาทำเดี๋ยวเขาก็จะโกรธเราและเขาจะไม่ไม่อยากที่จะฟังเราต่อไปน่าจะเกิดความแตกแยกส้ามิคีกันดังนั้นขอให้เรารู้จักพูดอย่าไปพูดเรื่องที่ทำให้เกิดความโกรธเกลียดกัน ถ้าพูดแล้วเขาไม่ชอบไม่พอใจอย่ากไปพูดให้พูดในสิ่งที่เขาพอใจเขามีความสุขแล้วเราย่อมจะอยู่ได้ด้วยกันอย่างมีความสุขความสบายนี่คือวิธีการพูดที่จะทำให้ไม่เกิดความแตกแยกแตกสามะคีกันส่วนการพูดคำหยาบพวกเราก็ทราบกันแล้วว่าไม่มีใครชอบฟังคำหยาบ ก, กัน เพราะคำหยาบ ก, ก็เป็นเหมือนขยะทางเสียนนี่เองขยะพวกเราก็รู้ว่าเป็นอย่างไรมันสกปรกมันไม่น่าพิศวาลมันไม่น่ายินดีให้พูดคำที่หวานจะดีกว่าคาพูดหวานคำพูดที่สวยงามขับผมขะผ า, าอย่างนี้ฟังแล้วมันดีกว่าฟังว่าคำพูดมึงกูอย่างนี้เป็นต้น เราก็รู้กันว่ามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพูดแต่คาพูดที่สวยงามคำพูดที่สุภาพเรียบร้อยคำพูดที่ไม่ดีคำหยาบอย่าไปพูดแล้วก็ท่านสอน่ะอย่าไปพูดเพ้อเจ้อก็หมายถึงอย่าเสียเวลากับพูดเรื่องเรื่องที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าจะพูดควรจะพูดเรื่องที่เกิดคุณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ได้ถ้าทางโลกก็พูดถึงเรื่องการศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อเราจะได้นำมาทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดจริตพูดเรื่องวิธีการหาเงินหาทองที่สุดจริตไม่เบียดเบียนไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น อย่างนี้พูดอย่างนี้เรียกว่ามีสาระมีประโยชน์ถ้าทางธรรมะก็พูดถึงเรื่องการทาบุญให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการมักน้อยสันโดษการชอบหาที่สงบสงัดวิเวกอย่างนี้พูดอย่างนี้แนละ้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเพราะผู้ฟังถ้าเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเขาจะได้รู้ว่าอะไร การกระทำแบบไหนที่จะทําให้ใจเขามีความสุขทําให้ใจของเขามีความเจริญดีกว่าไปพูดนินทากาเลเกี่ยวกับเรื่องคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นมีภรรยาสี่คนคนนี้มีสามีสามคนคนนี้ไปไปหลอกลวงคนนั้นไปทําอย่างนั้นไปทําอย่างนี้อย่าไปพูดให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่คือการพูดเพื่อให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ควรจะพูดในสิ่งที่มีสาระและเรื่องของและเรื่องของการพูดคำยาคำพูดปดก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราพูดปดนี่เท่ากับการลดคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวเราให้น้อยลงไปการพูดความจริงนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นสิ่งที่ชี้บ่งบอกถึงคุณค่าของเราเพราะคำพูดของเรานี้เป็นสิ่งที่จะบอกให้คนรู้ว่าเราเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีนั่นเองถ้าเราเป็นคนพูดปดอยู่ประจำจะไม่มีใครเชื่อคำพูดของเราเราจะไม่มีคุณค่าทางวาจาแต่ถ้าเราพูด ความจริงทุกคำไม่เคยพูดปดเช่นพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนสามโลกถึงสีสหปีด้วยกันคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกคำนี้เป็นความจริงทั้งนั้นคุณความพูดของพระพุทธเจ้าจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังสามารถนำเอาไปใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้ ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือขอให้เราพูดความจริงไว้เถิดแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าส่วนเรื่องของความไม่สะอาดของใจคืออกุศลของใจนี้ก็มีอยู่สามประการคือมีความโลภความโกรธและความหลง ความโลภ no และความโกรธนี้เกิดจากความหลงถ้าเราอยากที่จะชำระความโลภความโกรธเราต้องไปชำระที่ความหลงเพราะความหลงนี้เป็นต้นส่วนความโลภความโกรธนี้เป็นกลายเป็นเหมือนผลความหลงนี้เป็นเหมือนต้นไม้ส่วนความโลภความโกรธนี้เป็นเหมือนผลไม้ถ้าเราอยากจะ ทำลายไม่ให้มีผ ล, ลไม้เราก็ต้องตัดต้นไม้ทิ้งไปถอนรากถอนโคนให้หมดไปเมื่อไม่มีต้นแล้วก็จะไม่มีผลตามมาความหลงคืออะไรความหลงก็คือเห็นในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนั่นเองมีอยู่สประการด้วยกันคือเห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยงเที่ยงแท้แน่นอน เห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขเห็นเห็นตัวตนเห็นการไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นการไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเรามีความเห็นแบบนี้แล้วเราก็จะเกิดความโลภอยากได้แล้วเมื่อเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเรา มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะเราเห็นว่าได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเสียมันไปได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทุกกับมัน แล้วก็ไม่อยู่มีมีอะไรก็จะไม่ได้เป็นของเราเสมอไปเราจะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นเมื่อไหร่เช่นเราได้สามีมาได้ภรรยามาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่เขาจะตายจากเราไปก่อนหรือเปล่าหรือเราจะตายจากไปจากเขาไปก่อนหรือเปล่าหรือเขาจะเป็นของเราไปตลอดหรือเปล่า เดี๋ยวดีไม่ดีเขาอาจจะเปลี่ยนไปเป็นของคนอื่นก็ได้วันนี้เป็นภรรยาของเราพรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นภรรยาของคนอื่นไปก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้เมื่อไม่มีอะไรทเที่ยงแท้แน่นอนแล้วมันก็จะไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรเมื่อความสุขที่เราได้จากสนนิ่งนี้มันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่หลงอยากได้อะไรเพราะเท่ากับได้ความทุกข์มานั่นเองมีใครอยากจะได้ยาพิษมาบ้างมีใครอยากจะได้งูพิษมาบ้างไม่มีใครอยากได้เพราะรู้ว่ามันอันตรายต่อชีวิตนั่นเองถ้ามีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับยาพิษหรืองูพิษเราก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างมากต้องมีวิธีป้องกันตัวเรา ยาพิษก็ต้องมีที่เก็บไว้ปลอดภัยงูพิษก็ต้องมีที่เก็บไว้ปลอดภัยไม่ปล่อยให้มันออกมาเพ่นพ่านฉันใดสิ่งต่างๆที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยอยู่เพราะเรายังมีชีวิตอยู่เรายังต้องกินต้องมีมีเครื่องใช้ไม่สอยอยู่เราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปอยากมีมากจนเกินไปเกินความจาเป็น วราเมื่อมีมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการแล้วมันก็จะกลายเป็นยาพิษขึ้นมามันก็จะกลายเป็นงูพิษขึ้นมาเพราะมันจะทำให้เราอยากมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรามีเงินทองพอใช้แล้วถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอไม่รู้จักหยุดมันก็จะให้เราหาเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะกลายเป็นพิษขึ้นมาเพราะเมื่อเราอยากหาเราก็ต้องดิ้นหนนไปหา เราก็ต้องไปต่อสู้ไปแก่งแย่งชิงดีไปทำผิดศีลผิดธรรมแล้วได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอได้มาแล้วก็ต้องมากังวลกับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่มันหายไปมันมันหมดไปมันเป็นกายปัญญาพิษทั้งนั้นถ้าเราหา ม, มามากเกินความจำเป็นเราต้องหามาแบบพระ พระนี้หาอาหารมาแบบวันต่อวันเช้าก็เอาบาทออกไปบิณฑบาตได้อะไรมาก็รับประทานมันที่เหลือก็ไม่เก็บเอาไว้ก็แจกจ่ายให้คนอื่นไปไว้พรุ่งนี้ค่อยหาใหม่สำหรับคารวะเราไม่เหมือนพระแต่เราก็ทำแบบพระได้เราก็หาเงินทองเก็บไว้พอที่จะดูแลเราได้ภายในวันนี้และ ภายในอนาคตด้วยเมื่อเราเห็นว่าเรามีพอแล้วเราก็ควรที่จะหยุดหาได้แล้วควรจะมาหาบุญหากุศลดีกว่าควรจะเอาเวลาว่างนี้มาชำระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะดีกว่าเพราะจะได้มีความสุขมากขึ้นจะได้เจริญสูงขึ้นแล้วถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะได้เป็น เหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับพระอาหารตสาวกเป็นผู้ที่มีความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อมีความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจแล้วก็จะมีความสุขที่สมบูรณ์เป็นความสุขที่ถาวรและไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเพราะไม่มีความโลภไม่มีความอยากและไม่มีภพชา ต, ติตามมาอีกต่อไป เมื่อไม่มีพพชาก็ไม่มีความทุกข์เพราะทุกย่อมไม่มีตอบกับผู้ไม่เกิดนั่นเองถ้าตราบใดยังมีความอยากมีความโลภอยู่ก็ยังจะมีความมีการเกิดอยู่เมื่อมีการเกิดก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาเมื่อมีความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องมีความทุกข์ตามมาดังนั้นเราจึงควรมุ่ง ไปที่ตรงที่ไม่ไม่เกิดนี่เองและการที่ไม่เกิดก็ต้องชําระความโลภความโกรธให้หมดไปและการจะชําระความโลภความโกรธได้ก็ต้องชําระความหลง ก, ก็ต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้เมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วท่านรู้แล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ควรโลภควรอยาก ท่านก็จะตัดความโลภความอยากได้เมื่อไม่มีความโลภความอยากการกระทาทางกายทางวาจาก็จะสะอาดขึ้นมาโดยปริยายเพราะเมื่อไม่มีความโลภ ก, ก็ไม่มีความเจียมเป็นต้องไปฆ่าไกไม่มีความโกรธก็ไม่ต้องไปฆ่าไก่ไม่ต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปประพฤติผิดประเวณีไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปพูดคำหยา ไม่ต้องพูดเพ้อเจ้อไม่ต้องไปพูดยุยงให้คนอื่นเกิดความแตกความสามัคคีกันเราก็จะได้ชำระอกุศลทั้งสิทธิ์ภายในใจได้หมดสิ้นเลยด้วยการชำระความโลภที่เป็นต้นเหตุของอกุศลทั้งทั้งปวงนั่นเองดังนั้นในวันนี้ท่านได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาชำระ บาคุสนทั้งสิบนี้แล้วก็ขอให้ท่านพยายามทำต่อไปให้มากยิ่งขึ้นไปเพราะท่านจะได้รับความสุขและความเจริญเพิ่มขึ้นไปอย่างแน่นอนนั่นเองการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแะ่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพษีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้